คุณสมใจสมใจต่อคือจริงเขาเขาสมใจนะพระ้าสมจิตนะสมจิตค่ะอาเลยนั่นแหละอันนี้ชื่อใหม่ชื่อเก่าคือสมใจไม่ใช่สมจิตค่ะกราบนวสการพระคุณเจ้าแล้วก็สวัสดีทุกทุกท่านค่ะ ก่อนที่จะมาที่ค่ายนี้เคยไปที่วัดสนามในมาก่อนตอนช่วงที่เขากำลังปิดซ่อมแซมอะค่ะแล้วก็ถ้าจาไม่ผิดเนี่ยออไปเจอแม่ชีอยู่รูปหนึง่งแล้วเขากออ็แนะนำออการฝึกแบบเคลื่อนไหวมาให้แต่ว่าจะไม่ได้เป็น14จังหวะก็จะใช้วิธีนั้นมาประกอบกับวิธีอื่น ค่ะแล้วก็พอเออาจารย์ปภาพัฒนบอกว่าจะจัดค่ายครูสติให้มาก็ยังไม่ได้รับปากอาจารย์เพราะว่ารู้ว่าช่วงค่ายครูสติเนี่ยจะเป็นช่วงที่เอความปวดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วก็มีกิจบางอย่างที่จะต้องทําในช่วงนั้นอืก็กิจส่วนนั้นก็ตัดใจไปแล้วก็ในเรื่องของความปวดเนี่ยเอก็ มองอยู่ว่าเออถ้าอยู่ที่ค่ายแล้วถ้าจะอยู่ให้ได้เนี่ยก็คงจะต้องมานั่งเออขาดสมาธิแล้วก็หลับตาก็ถามตัวเองอยู่ว่าเออแล้วค่ายนี้เขาจะรับตรงนี้ได้ไหมแล้วเออเราจะลําบากใจแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ในที่สุดก็ตัดสินใจมาก็ พอเข้าที่พักคืนแรกเนี่ยก็ไม่หลับทั้งคืนแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเออก็ได้ได้ได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ในเรื่องของออการเจริญสติตามแนวของหลวงพ่อเทียนที่มีความละเอียดมากขึ้นในอธิยาบทต่างๆ ก็คิดว่ายังไงวันเนี้ยต้องเจอกับความง่วงอย่างแน่นอนพอนั่งทำไปได้สักพักหนึ่งความง่วงก็เข้ามาเยือนก็บอกกับตัวเองว่าเออสงสัยคงจะต้องเอาเวทนาเนี่ยเข้ามาช่วยในเรื่องของความง่วงเออก็ในที่สุดก็ตัดสินใจจะอยู่ในท่าของการยืนเขาก็ยืนเขาไปแล้วก็เออ ดูความง่วงไปดูความเจ็บของเขาไปเรื่อยๆออก็พบว่าความง่วงก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่ในระดับหนึ่งแล้วกออ็ความเจ็บปวดเนี่ยมันก็จะมีขึ้นๆลงๆของมันอยู่แต่ว่ามันก็ไม่หายไปแล้วก็พบว่า มันบางช่วงมันก็จะมีเข้ามาว่าเป็นความเบือ่อแต่ก็จะบอกกับตัวเองว่าเอออันนี้มันเป็นการปรุงแต่งเข้ามามันก็สามารถละตรงนี้ออกไปได้ก็เลยไม่ค่อยกลัวกับความรู้สึกเบื่อเท่าไหร่แต่ว่าที่เออมองว่าต้องเผชิญกับมันมากกว่าก็คือความง่วงก็ยืนในท่าข่าอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็สํารวจตัวเองแล้วว่าอืมเรายืนอยู่ในท่านี้เนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยนท่ามันไม่ได้มาจากความเบือ่อ แล้วก็เห็นว่าเออมันก็นานพอสมควรแล้วก็ลองเปลี่ยนไปเปลี่ยนท่าอื่นก็ปรากฏว่าพอเปลี่ยนท่าเนี่ยไอ้จากที่เออเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ปวดมากเนี่ยเปลี่ยนท่าแล้วกบกลายเป็นปวดมากพอลุกขึ้นยืนเนี่ยก็เรียกว่าเข่าสั่นเลยก็ <c oughs> <c oughs> ก็ยังโชคดีที่ไม่เป็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการไปซ้ำรอยเดิมที่เราเคยมีภาวะปวดเคยมีภาวะอักเสบมาก่อนแล้วก็พ อ, อ, อวันที่สองเนี่ยก็เลยลองวิธีใหม่ที่จ ะ, ะเผชิญความง่วงโดยที่ไม่ใช้ความ เ, เจ็บปวดเนี่ยเข้ามาเผชิญกับเขาก็เลยใช้วิธเีเปลี่ยนท่าบ่อยๆ ก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้ถ้าความง่วงเข้ามาเนี่ยชิวๆแล้วสบายมากรู้วิธีแล้วว่าโอเคอ่ะก็เพียงแค่ว่าออตามรู้การเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนท่าบ่อยๆก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามเ ข, เขาไปได้ค่ะแล้วก็พ อ, อ, อวันถัดมาเนี่ยก็รู้ตัวว่าความเจ็บปวดมันจะเข้ามาแล้วแล้วก็เออก็ เริ่มจากใช้วิธีนั่งขัดสมาธิแล้วก็หลับตาเพื่อที่จะเพาะประคองอาการปวดนี้โดยที่ก่อนที่จะเข้ามาที่ค่ายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าจะเริ่มมองเห็นวิธีการที่จะอยู่กับเขาอย่างไงโดยที่ไม่ไม่ไปทุกข์กับเขามากนะก็ใช้วิธีว่าแล้วก็อยู่ในท่านี้แล้วก็ตามความปวดไปก็จะดูว่าาพอความปวดเข้ามาถ้าหากว่ามันมี การตัวงอกอ็มองว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าเราหลงเข้าไปจับว่าเป็นตัวเราเป็นกายของเรา ก็จะดึงตัวเองขึ้นมาแล้วก็คือผ่อนจิตให้มันคลายออกไปแล้วก็ตามดูไปได้เรื่อยอถ้าหากมันมีมือเกรงก็คือเหมือนกันถ้าหากว่ามีอาการขมวดคิ้วก็เหมือนกันตกหลุมไปแล้วก็คลายออกมาหรือแม้กระทั่งว่าถ้าหากว่ากำลังออตามดูอยู่เนี่ยแล้วออจิตมันเริ่มหมองก็บอกว่าออตรงนี้เนี่ยแสดงว่าออความเจ็บปวดเนี่ยมันเริ่มเข้ามาครอบงาแล้ว ก็จะออตามรู้แล้วก็คือคลายไปอย่างนี้เรื่อยๆก็สามารถที่จะประคองได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็อยู่กับออความเจ็บปวดอันนี้ได้ตลอดเวลาเลยค่ะความเจ็บปวดมีอยู่ตลอดเวลาเลยเออ ช่วงช่วงนั้นจะมีอยู่ตลอดแล้วก็พอประคองมาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเออเราประคองได้ต่อเนื่องแล้วก็คิดว่าจะคลายคลายจากเวทนาลงเพราะว่าเออมันก็นั่งมาได้ราวๆชั่วโมงแล้วมันก็จะมีเวทนาจากผ้านั่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็เลยเออเปลี่ยนว่าเออยังประคองประคองความปวดจากภายในอยู่แต่ว่าเปลี่ยนไปเออนั่งพิงเสาแล้วก็หลับตาแล้วก็ประคองต่อ ก็ระหว่างกําลังทําอย่างนี้อยู่เนี่ยเออพระก็ได้ยินเสียงพระอาจารย์มาก็เออพระอาจารย์ก็บอกคล้ายๆกับว่าเออนั่งพิงจสลับหนะ้าอะไรอะไรยก็จากที่ใจที่กําลังแบบยินดีอยู่ว่าเออเราสามารถที่จะพอครองความเจ็บปวดได้อย่างต่อเนื่องได้แล้วเอ อ, อยู่กับเขาได้แล้วมันก็แบบตกลงไปจนกระทั่งตอนหลังก็มานึกว่าเออต้องขอบคุณพระอาจารย์นะที่ว่าเออมันมาทําให้เห็นว่าจิตเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็ขึ้น เดี๋ยวมันก็ตกค่ะก็อันนั้นก็ผ่านไปแล้วก็อืมก็ที่มาที่ค่ายเนี้ยก็เออสิ่งที่ได้ก็คือได้ในเรื่องที่ว่า จะก้าวข้ามผ่านความง่วงไปได้ยังไงแล้วก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ได้ก็คื อ, เ, อ, อเคยได้ยินอาจารย์ที่รู้จักอยู่ท่านนึงเนี่ยท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเวลาที่ท่านภาวนาเนี่ยแล้วช่วงตอนที่ท่านเดินจงกรมแล้วก็หมุนตัวเนี่ยจะเป็นช่วงที่ท่านรู้ตัวทั่วพร้อมอย่างชัดเจนมากที่สุดซึ่งตอนนั้นเราก็ฟังไปด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็เวลาที่เราเดินจงกรมเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับการหมุนตัวสักเท่าไหร่ จงกระทั่งมาเข้าค่ายในครั้งนี้เนี่ยแล้วก็เออมันมีจังหวะที่ลองหมุนตัวช้าๆดูแล้วก็พบว่าเออเราสามารถที่จะแบบตามรู้มันไปทั้งตัวได้อย่างต่อเนื่องจริงๆก็เลยเริ่มเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ท่านนั้นเคยเล่ามา ว่าเจ็บปวดในที่นี้ปวดในยีีปวดหรือปวดในอาการที่มันเป็นอยู่ในกายเจ็บปวดอันไหนคะเจ็บปวดที่ว่ามาที่มันเดี๋ยวมันหายเดี๋ยวมันปวดในกายค่ะปวดในกายเป็นวิบากขันเนี่ยนะแต่ว่าไม่ใช่ปวดเพราะดีบดเพราะนั่งนานหรือ่รั่อ๋อก็จริงนะตอนนี้แล้วอาการปวด ตอนนี้เป็นยังไงดีขึ้นหรือว่ามันยังเหมือนเดิมคือทุกๆวันเนี่ยมันก็เป็นอยู่ขึ้นขึ้ น, น, นลงลงแต่ก็คือเรียกว่าสามารถตระหงได้เพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยมันผิดจังหวะไปหน่อยนึงเพราะว่าเมื่อวานตอนช่วงเช้าเนี่ยก็คือเอ่อที่ใช้ที่ผ่านมาเนี่ยจะใช้วิธีป้องกันมากกว่าที่จะมาตามแก้ไขเพราะมองว่าถ้าหากว่าตามแก้ไขมันจะใช้เวลานาน ก็เลยจะใช้วิธีป้องกันโดยที่ว่าช่วงตอนที่อาการยังไม่เยอะเนี่ยจะประคองออตัวความเจ็บปวดนี้ในท่านั่งหลับตาก่อน แล้วก็มันก็จะสามารถอยู่ไปได้ครึ่งวันค <c oughs> ่อนวันก็แล้วแต่ค่ะทีนี้ปรากฏว่าเออช้า ว, วันเมื่อวานนี้เนี่ยมันนั่งยังไม่ได้ระดับแต่ก็ด้วยความเมตตาของอาจารย์กลัวว่ายุงจะ ก, กัดก็ให้ไปเดินก็รู้รู้ตัวอยู่ว่า ม, มันยังนั่งไม่ไม่ได้ระดับนะวันนี้อาจจะไม่รอดแต่ก็อะ ไปเดินก็ไปเดินแล้วก็ปรากฏว่าช่วงตอนบ่ายเนี่ยก็ตอนแรกกะว่าเออเดี๋ยวคงจะต้องประคองด้วยท่านี้อีกครั้งหนึง่งแต่ว่าแล้วเราไดไ้ไอ้ไอ้โรคความเจ็บป่วยตัวนี้ได้ทานยาช่วยอะไรบ้างไหมเออก็จะมีเป็นเรียกว่าเป็นเป็นตัวที่ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรง ไม่ได้เป็นตัวที่ช่วยช่วยเรื่องอาการปวดอะไรพวกนี้ที่นะ <c oughs> หลวงพ่อแนะนําให้ไปดื่มมะนาวกับสุดานะี่เป็นได้ได้ทดลองไหม อ, อ๋อยังคงต้องออกจากค่ายนี้ก่อนค่ะลองไปทําดูเท่านั้นนะ <c oughs> โอเค <c oughs> ก็ตรงนี้เห็นนั่งตอนแรกก็เห็นว่านั่งอับตาเห็บ่ยอยก็ไปถามรายละเอียดว่าถ้าสมมติทํำอย่างนี้แล้วในอาการเจ็บปวดนั้นมันจะเ บ, บ, บาลงลก็เลยปล่อยให้นั่ง ทีนี้นะ่าโดยวิธีแก้ที่ถูกเหตุถูกผลเนี่ยถ้าสมมติว่าเราใช้สมาธิตรงนั้นไปบังคับเนี่ยมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุทีเดียวนะ <c oughs> ต้องต้องหาเหตุว่าโรคนี้มันโรค ก, กายต้องแก้ที่เหตุของกาย <c oughs> ถ้าเอาจิตไปบังคับก็ถูกระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะช้าที่ว่ามานะ <c oughs> มันจะช้าแก้ทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันคือ <c oughs> ทางใจก็คือหมายความไม่ให้มันกระวนกระวายไปกับอาการตัวนี้ <c oughs> ทางกายก็คือต้องหาวิธีแก้ที่ถูกเหตุของมันแต่ <c oughs> เดี๋ยวนี้มีหลายวิธีนะ โอเคก็ขออนุญาตนาด้วยคน